ปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารในปัจจัย24ที่กล่าวมานี้อวิชชานี้นับเป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารคือบุญทั้งหลายโดยประการสองแต่มันเป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารข้อถัดไปคืออปุญญาิสังขารโดยหลายประการ เป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารข้อสุดท้ายคืออเนนชาพิสังขารโดยประการเดียวแลในคำเหล่านั้นคาว่าเป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารคือบุญทั้งหลายโดยประการสองความว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแห่งปุญญาภิสังขารโดยประการสองคือโดยเป็นอารามนาปัจจัยหนึ่ง โดยเป็นอุปนิสยาปัจจัยหนึ่งอธิบายว่าอาวิชชานั้นเป็นปัจจัยโดยเป็นอารัมมณปัจจัยแห่งปุญญาพิสังขารทั้งหลายฝ่ายกามาวจรในการในที่นี้สะกดด้วยลอหลิงนะครับในการที่พิจารณาอาวิชชาโดยความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นอารัมมณปัจจัยแห่งปุญญาพิสังขาร ฝ่ายรูปาวจรในการที่รูจิตอันเป็นไปกับโมหะทั้งของตนและของคนอื่นด้วยอภินยาจิตมีเจโตปริยญาณเป็นต้นแต่ว่าเมื่อบุคคลบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุฝ่ายกามาวจรทั้งหลายมีทานเป็นต้นก็ดีอย่างรูปาวจรชานทั้งหลายให้เกิดขึ้นก็ดี เพื่อประโยชน์แก่การก้าวล่วงเสียซึ่งอวิชชามันก็เป็นปัจจัยโดยเป็นอุปนิสยาปจจัยแห่งปุญญาพิสังขารทั้งสองนั้นเมื่อบุคคลปรารพสมบัติในการมาพบแล้วรูปพบแล้วทำบุญทั้งสองนั้นแหละอยู่เพราะหลงไปด้วยความไม่รู้ก็อย่างนั้นคืออวิชชานั้นเป็นอุปนิสยาป จ, จัย แห่งปุญญาพิสังขารทั้งสองนั้นเช่นเดียวกันคำว่าแต่มันเป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารข้อถัดไปโดยหลายประการความว่าอาวิชา ย, ย่อมเป็นปัจจัยแห่งปุญญาพิสังขารทั้งหลายโดยหลายประการปุชาว่าเป็นอย่างไร วิสัชนาว่าก็อวิชานั้นย่อมเป็นปัจจัยแห่งอปุญญาพิสังขารโดยหลายประการคือในการที่ราคะเป็นต้นปรารบอวิชชาเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยโดยเป็นอา ร, รมณนาปัจจัยในการที่ทำอวิชชาให้เป็นที่หนักคือน้ำหนักอยู่ที่อวิชชาเกิดความพอใจขึ้น มันก็เป็นปัจจัยโดยเป็นอารัมมนาทิปดีและอารัมมนูปนิสยะเมื่อบุคคลผู้หลงไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นโทษในบาปทำบาปทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นเข้ามันก็เป็นอุปนิสยปัจจัยมันเป็นอนันตระสมะนันตระอนันตรูปนิสยอาเสวณนะนัตถิและวิคตะปัจจัย แห่งชาวนาจิตมีชาวนาดวงที่สองเป็นต้นไปเมื่อบุคคลทำอกุศลทุกอย่างมันก็เป็นเหตุสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะปัจจัยคำว่านับว่าเป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารข้อสุดท้ายโดยประการเดียว คืออวิชานับว่าเป็นปัจจัยโดยประการเดียวคือโดยเป็นอุปนิสยาปจจัยเท่านั้นแห่งอนเนจชาพิสังขารทั้งหลายก็แลความที่มันเป็นอุปนิสยาป จ, จัยนั้นพึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวแล้วในปุญญาพิสังขา น, นั่นเถิดอวิชา ย, ย่างเดียวเป็นปัจจัยแห่งสังขาร ในบทว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีเพราะปัจจัยคืออวิชานี้โจทะกาจานกล่าวคือทักว่าก็อวิชานี้อย่างเดียวเท่านั้นเป็นปัจจัยแห่งสังขารทั้งหลายหรือหรือว่าเป็นปัจจัยอื่นๆอีกก็มีพระอาจารย์กล่าวฉเฉลยว่าก็ในข้อนี้จะพึงว่ากันอย่างไรดีเล่าผีว่าอาวิชชายอย่างเดียวเป็นปัจจัยไซ ก็ต้องเป็นพวกเอกะการณวาทะหมายถึงกล่าวว่ามีเหตุอันเดียวซึ่งไม่ถูกต้องหากว่าปัจจัยอื่นอื่นอีกมีก็ใสเอกาการณนินเทศคำพระบาลีที่แสดงเหตุไว้อันเดียวว่าอาวิชชาปัจจญาสังขาราสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาก็ไม่เกิดประโยชน์ พระอาจารย์กล่าวต่อไปว่าแต่อันที่จริงเอกาการณานิเทศนั้นจะไม่เกิดประโยชน์หามิได้เพราะอะไรเพราะเอกผลเกิดแต่เอกเหตุไม่มีแม้อนเนกผลเกิดแต่เอกเหตุก็ไม่มีเอกผลเล่าเกิดแต่อนเนกเหตุก็ไม่มี อัฏฐะคือประโยชน์ในการแสดงเอกเหตุเอกผลมีอยู่จริงอยู่ผลอย่างเดียวเกิดแต่เหตุอันเดียวไม่มีสักอย่างในปัจจัยการนี้ผลหลายอย่างเกิดแต่เหตุอันเดียวก็ไม่มีผลอย่างเดียวเกิดแต่เหตุหลายอันเล่าก็ไม่มีแต่ว่าผลหลายอย่างเกิดแต่เหตุหลายอันนั่นมี จริงอย่างนั้นผลหลายอย่างได้แก่รูปกลิ่นรสเป็นต้นและหน่อไม้นั่นเกิดขึ้นแต่เหตุหลายอันกล่าวคือฤดูดินพืชคือพันและน้ำปรากฏอยู่แต่การแสดงเหตุอันเดียวและผลอย่างเดียวที่พระผู้มีพระภาคทรงทาไว้ว่าอวิชชาปัจจญยาสังขาราสังขาระปัจจญยาวิญญาณังนั้นใด ในการแสดงเหตุอันเดียวและผลอย่างเดียวนั้นอัตทมีอยู่คือประโยชน์มีอยู่แท้จริงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเอกเหตุบ้างเอกผลบ้างเหมือนกันโดยควรแก่พระเทศนาวิลาชและแก่อัชชาสายของเวนัยสัตว์ทั้งหลายบ้างในบางบทบ้างเพราะเป็นเหตุและผลประธานบางบท เพราะเป็นเหตุปรากฏคือเห็นเด่นชัดบางบทเพราะเป็นเหตุอสาธารณะคือเฉเพาะขยายความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเอกเหตุและเอกผลด้วยเพราะความเป็นเหตุประธานและผลประธานเช่นในบทว่าผัสสะปัจจยาเวทนาเหตุว่าผัสสะเป็นประธานแห่งเวทนา ตรัสเอกเหตุเพราะความปรากฏเช่นในคำว่าเสมหะสมุดธานาอาพาธาอาพาธทั้งหลายที่มีเสมหะเป็นสมุดฐานเพราะว่าในอาพาธนี้เสมหะเป็นเหตุ ท, ที่ปรากฏเหตุอื่นมีกรรมเป็นต้นไม่ปรากฏตรัสเอกเหตุเพราะความเป็นเหตุอสาธารณะเช่นในข้อว่า เยเกจิพิกเวอกุศลาธรรมมาสัพเพเตอโยนิโสมนาสิการามูลกาพิกษุท์ทั้งหลายอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึง่งบรรดามีอากุศลธรรมทั้งหลายนั้นล้วนมีอโยนิโสมนาสิการเป็นมูลเพราะอโยนิโสมนาสิการเป็นเหตุอสาธารณะเหตุอื่นๆมีวัตถุและอารมณ์เป็นต้นเป็นเหตุสาธารณะแกะอกุศลทั้งหลายแล เพราะเหตุนั้นในปัจจัยการนี้อวิชานี่แม้เมื่อเหตุแห่งสังขารทั้งหลายอื่นมีวัตถุอารมณ์และสหาชาติธรรมเป็นต้นมีอยู่ก็พึงทราบถึดว่าพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงโดยความเป็นเหตุแห่งสังขารทั้งหลายเพราะความที่อวิชานั้นเป็นสังขาระเหตุที่เป็นประธานแห่งสังขาระรเหตุอื่นๆมีตัณหาเป็นต้น โดยพระบาลีว่าตัณหาย่อมพอกพูนแก่บุคคลผู้คอยดูแต่ส่วนที่น่ายินดีในสังโยชนียธรรมเป็นต้นและโดยพระบาลีว่าความเกิดขึ้นแห่งอาสวะย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาเพราะเป็นเหตุปรากฏและเพราะเป็นเหตุอสาธารณะด้วยโดยพระบาลีว่า ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โง่เขลาตกอยู่ในอวิชชายอมสร้างปุญญาพิสังขารขึ้นบ้างเป็นต้นก็แลประโยชน์ในการทรงแสดงเอกเหตุเอกผลในบททั้งปวงพึงทราบโดยคำเฉลยการทรงแสดงเอกเหตุเอกผลที่กล่าวมานั่นเทิน อวิชชาเป็นเหตุแห่งสังขารฝ่ายดีในบทอวิชชาปัจจญยาสังขารานี้โจดทกาจาร์กล่าวอีกอีกประเด็นหนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างกล่าวมานั้นแต่การที่อวิชชาซึ่งเป็นสิ่งมีโทษมีผลอันไม่น่าปรารถนาโดยส่วนเดียวมาเป็นปัจจัยแห่งปุญญาพิสังขารและอเนญชาพิสังขารซึ่งมีผลน่าปรารถนา จะใช้ได้ชไหนเพราะว่าอ้อยจะเกิดจากพืชเสดาหาได้ไหมพึงเฉลยว่าฉไหนจะใช้ไม่ได้เล่าเพราะในโลกนี้ปัจจัยแห่งสภาวธรรมทั้งหลายที่ผิดกันกับผลก็ดีไม่ผิดกันก็ดีที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันกับผลก็เช่นกันยอมเป็นเหตุสำเร็จ คือให้เกิดผลได้แต่ธรรมะเหล่านั้นมิได้เป็นวิบากแห่งปัจจัยเหล่านั้นเลยจริงอยู่ปัจจัยที่ผิดกันโดยฐานคือตำแหน่งที่และเวลาสภาวะและกิจเป็นต้นแก่สภาวะธรรมทั้งหลายก็ดีไม่ผิดกันก็ดีย่อมเป็นเหตุสำเร็จได้ในโลกด้วยว่าจิตดวงก่อน ย่อมเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยฐานแห่งจิตดวงหลังได้และการศึกษามีศึกษาศิลปะเป็นต้นก่อนย่อมเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยฐานะแก่การทํางานมีประกอบศิลปะเป็นต้นอันเป็นไปในภายหลังก็ได้กรรมเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยสภาวะแห่งรูปได้และนมสดเป็นต้น เป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยสภาวะแห่งนมส้มเป็นต้นก็ได้แสงสว่างเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยกิจแห่งจักขุวิญญาณก็ได้และน้ำอ้อยงบเป็นต้นเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยกิจแห่งน้ำดองคือน้ำเมาเป็นต้นก็ได้ส่วนจักขุและรูปเป็นต้นเป็นปัจจัยที่ไม่ผิดกันโดยฐานแห่งจักขุวิญญาณเป็นต้น ชวนาจิตดวงก่อนเป็นต้นเป็นปัจจัยที่ไม่ผิดกันโดยสภาวะและไม่ผิดกันโดยกิจแห่งชวนาจิตดวงหลักเป็นต้นอนหนึ вот, ่งปัจจัยที่ผิดกันและไม่ผิดกันกับผลเป็นเหตุสําเร็จได้ฉันใดแม้ปัจจัยที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันกับผลก็เป็นเหตุสําเร็จได้ฉันนั้นจริงอยู่ รูปกล่าวคือฤ ด, ดูและอาหารซึ่งเหมือนกันนั่นเองเป็นปัจจัยแห่งรูปพืชข้าวสาลีเป็นต้นซึ่งก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งมเมล็ดข้าวสาลีเป็นต้นรูปซึ่งแม่ไม่มีเหมือนกันแต่เป็นปัจจัยแห่งอรูปได้อรูปเล่าก็เป็นปัจจัยแห่งรูปได้และขนโคขนแกะเขาสัต นมสม้มงาแป้งเป็นต้นซึ่งไม่เหมือนกันก็เป็นปัจจัยแห่งย้าพแพรกและตัวใครเป็นต้นได้แต่ปัจจยธรรมเหล่านั้นเป็นปัจจัยที่ผิดกันไม่ผิดกันและเหมือนกันไม่เหมือนกันก็ดีแห่งธรรมะเหล่าใดธรรมะเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นวิบากแห่งปัจจัยคือธรรมะเหล่านั้นเลย ด้วยประการดังนี้อวิชานีแม้ว่าโดยวิบากเป็นสิ่งที่มีผลไม่น่าปรารถนาโดยส่วนเดียวแล้วว่าโดยสภาวะก็เป็นสิ่งมีโทษแต่ก็พึงทราบเถิดว่ามันเป็นปัจจัยแก่สังขารมีปุญญาพิสังขารเป็นต้นนั้นทั้งหมดได้ด้วยสามารถเป็นปัจจัยที่ผิดกันและไม่ผิดกันโดยฐานะกิจสภาวะ และด้วยสามารถเป็นปัจจัยที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันตามควรก็แลความที่มันเป็นปัจจัยนั้นได้กล่าวแล้วโดยในยะว่าความไม่รู้ที่นับว่าอวิชชาในทุกเป็นต้นบุคคลใดยังละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นเพราะความไม่รู้ในทุก่อนและในวัตถุแห่งอวิชชาทั้งหลายมีขันธปัญจกะส่วนอดีตเป็นต้น จึงยึดเอาสังขารทุกข์ไว้โดยสำคัญว่าเป็นสุขแล้วย่อมริธรรมสังขารทั้งสามอย่างอันเป็นเหตุแห่งสังสารทุกข์นั้นขึ้นดังนี้เป็นต้นนั่นแหละต่อไปนี้เป็นปริยายอื่นอีกปริยายหนึ่งว่าบุคคลใดหลงในเรื่องจุดติและอุบัติคือเรื่องสงสารการเวียนว่ายตายเกิด ในลักษณะแห่งสังขารทั้งหลายและในปฏิจจสมุปปนธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นยอมสร้างสังขารทั้งสามนั้นขึ้นทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่อวิชานีเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งสามนั้นหากมีคำถามว่าก็ฉไหนบุคคลได้หลงในธรรมะเหล่านั้นบุคคล น, นั้นจึงทำสังขารทั้งสามนั้นขึ้นดังนี้ไซ ทำแก้พึงมีว่าอันดับแรกบุคคลผู้หลงในเรื่องจุติไม่ถือเอาจุติโดยความจริงว่าความแตกแข่งขันทั้งหลายในภพทั้งปวงชื่อว่ามรณะแต่กำหนดใจไปว่าสัตว์ตายความตายก็คือความก้าวไปคือเคลื่อนไปสู่ร่างอื่นแห่งสัตว์ดังนี้เป็นต้น ผู้หลงในอุบบาทไม่ถือเอาอุบบาทโดยความจริงว่าความปรากฏขึ้นแห่งขันทั้งหลายในพบทั้งปวงชื่อว่าชาติแต่กําหนดใจไปว่าสัตว์เกิดขึ้นความเกิดขึ้นก็คือความปรากฏขึ้นแห่งร่างใหม่ของสัตว์ดังนี้เป็นต้นผู้หลงในสงสารไม่ถือเอาสงสารอย่างที่ท่านพันนาไว้ดังนี้ว่า ความสืบเนื่องกันแห่งขันธาตุและอายตนะทั้งหลายเป็นไปอยู่ไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารแต่กำหนดใจไปว่าสัตว์ผู้นี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นดังนี้เป็นต้นผู้หลงในลักษณะแห่งสังขารทั้งหลายไม่ถือเอาสภาวะลักษณะ มีรู้จักเสื่อมเป็นต้นและสามั ญ, ญลักษณะมีไม่เที่ยงเป็นต้นแห่งสังขารทั้งหลายแต่กําหนดใจเอาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นตนโดยความเป็นของตนโดยความเป็นของยั่งยืนโดยความเป็นสุขและโดยความเป็นของงามผู้หลงในปติ จ, จสมุ ป, ปันธธรรมทั้งหลาย ไม่ถือเอาความหมุนไปแห่งปัจจุบันธรรมทั้งหลายมีสังขารเป็นต้นเพราะปัจจยธรรมมีอวิชชาเป็นอาธิแต่กำหนดใจไปว่าอัตตาย่อมรู้บ้างไม่รู้บ้างอัตตานั่นแหละทาเองและใช้ผู้อื่นให้ทาด้วยในปฏิสนธิก็อัตตานั่นแหละเกิดขึ้น ผู้บรรดาลมีอนุและพระอิศวรหรือพระเจ้าเป็นต้นจัดแจงร่างให้อัตตานั้นโดยแต่งให้เป็นกาละละเป็นต้นจนทมอินทรีย์ทั้งหลายให้ครบครันอัตตานั้นมีอินทรีย์ครบครันแล้วจึงสัมผัสได้รู้อารมณ์ได้อยากเป็นยึดถือเป็นพยายามเป็นอัตตานั้นย่อมมีในภพอื่นอีกดังนี้บ้างว่า สัตว์ทั้งปวงแปลเปลี่ยนไปตามวาระคือความเป็นไปตามโชคเคราะห์ดังนี้บ้างบุคคลนั้นอันอวิชาทำให้เป็นคนบอดแล้วกำหนดใจไปอย่างนั้นอยู่ก็ย่อมก่อสังขารเป็นบุญบ้างไม่เป็นบุญบ้างเป็นอเนชาบ้างขึ้นเปรียบเหมือนคนตาบอดเที่ยวไปบนแผ่นดินก็ย่อมเดินไปถูกทางบ้างผิดทางบ้าง ที่ดอนบ้างที่ลุ่มบ้างที่ราบบ้างที่ครุกระบ้างฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพระอาจารย์จึงกล่าวคําเป็นคถานี้ไว้ความว่าเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดไม่มีคนจูงบางทีก็เดินไปตามทางบางทีก็เดินไปนอกทางบ้างฉันใดก็ดีคนเขลาผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารไม่มีผู้ชักนํา บางคราวก็ทำบุญบางคราวก็ทำกรรมที่ไม่ใช่บุญบ้างฉันนั้นต่อเมื่อใดเขารู้จักธรรมะแล้วตรัสรู้สัจจะได้เมื่อนั้นเพราะอาวิชชาสงบไปเขาจึงจักเป็นอุปสรนตะบุคคลไปได้นี่เป็นวิถารกถาในมดว่าอาวิชชาปัจจญาสังขารา